ปณติบาศเนี่ยทำปณัจในจุรกกรรมวิพังกสูตรเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าประทับอยู่ที่เชตาวันใช่ไหยอารามของท่านอนาถาปินทิกาเศษฐีเนี่ยสุภามานพโตทยบุตรเข้าไปเฝ้าพทะเจ้าสุภามานพโตทยบุตรนี่เป็นนักวิชาการมากเก่งฉลาดเลยไปผูกปัญหาขึ้นมาสิบสี่ข้อถามพระสามมาสามพระเจ้าได้กราบทูลพรธเจ้าบอกว่า ถามพระเจ้าว่ามนุษย์ทั้งหลายปรากฏจะเป็นผู้มีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณซามีผิวพรรณงามมีสักน้อยมีสักมากเนี่ยพวฆ่ามากผัวฆ่น้อยเนี่ยตระกูลต่ำตระกูลสูงไรปัญญามีปัญญาเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยในถามปัญหาปลุกปัญหาไปถามปลุกปัญหาไปถามแมงอายุสั้นเพราะทากรรมอะไรมาอายุยืน พอไม่ฆ่างไงไม่ทำปฏิบาทิเนี่ยอายุไอ้มีโรคมากอะ่ะมาจากอะไรมีโรคน้อยมาจากอะไรแล้วผิวพันธ์ซามมาจากอะไรเป็นคนขี้งดหีเกียดขี้โกรธนะแด่มากผู้ชายกับผู้หญิงใครโกรธมากกว่ากันใครขี้โกรธ อ้าแล้วผู้ชายกับผู้หญิงใครเป็นคนหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายผู้หญิงเลยเพราะเป็นงั<อ>้นเลยอ๋อเพราะอดีไม่มีผู้หญิงนั่งฟังอยู่เ <c oughs> ลยไม่มีเสียงค้านเลย <c oughs> ผิวพรรณผิวพรรณงามมาจากอะไร <c oughs> เมตตานะมีสักน้อย มีสักสักดินามากมีพอค้าน้อยมีโภค้ามากเกิดในตระกูลต่ำเกิดในตระกูลสูงมันน้อม่วามตนนะไร้ปัญญา <laughs> แล้วมีปัญญานี่แหละ เรื่องของกรรมนะเมื่อวานนี้ก็เลยมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกรรมเก่าพระพุทธเจ้าตรัสนะเราจักแสดงกรรมใหม่กรรมเก่าความดับแห่งกรรมและปฏิมทัศน์เข้าถึงความดับแห่งกรรมอะไรเป็นกรรมเก่าก็จะโคขงให้ตาเป็นที่บัณฑิตเห็นว่าเป็นกรรมเก่าถูกประใจใัยบุงแต่งสาเร็จได้เวทนาไงใช่ไหม ตาหัวจะบวกเลินกายใจใจในนั้นหมายถึงพวังก็จิตนั่นแหล mm hmm. มะมโนนั่นแหละกรรมใหม่ล่ะกรรมใหม่อยู่ตรงไหนที่กำลังทำกันอยู่ตลอดใช่ไีมกาลังทาทีนี้มาพูดเรื่องกรรมใหม่นี่แหละที่เป็นปัญหาของพวกเราอยู่ทุกวันนี้แหละไอ้กรรมใหม่เนี่ยเป็นยังไง เจตนากรรมที่เป็นไปกับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทํากันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราทํากรรมใหม่ตลอดเลยไหมทําตลอดไหมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเจตนานั่นเองเรียกว่ากรรมบุคคลจงใจแล้วก็ทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน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 ย่อมเสพผลของกรรมใดกรรมนั้นทําแล้วไม่ดีบุคคลทํากรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นแลเป็นกรรมดีนะคนพ่านมีปัญญาสามย่อมทํากับตนเองเหมือนกับเป็นศัตรูทําไงอ่ะเหมือนกับตนเองเป็นศัตรูย่อมทํากรรมชั่วอันให้ผลที่เผ็ดร้อน บุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลังมีน้ำมีหน้าน้องด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่เสวยผลกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีเลยบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังเสวยผลแห่งกรรมใดด้วยหัวใจช่ำชื่นเบิกบานกรรมนั้นทำแล้วก็เป็นการดีบุคคลรู้กรรมใดว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองควรรีบลงมือทำกรรมนั้นทีเดียว ได้ความเป็นคนมีเหตุผลไม่เชื่อที่งมงายเช่นไงคนพานก็มีกรรมดำเนี่ยถึงจะลงไปเล่ น, ลนแม่น้ําที่ศักดิ์สิทธิต์ต่างๆสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไปอาบน้ํากันในอินเดียก็มีแม่น้ําพหูกาท่าน้ําอธิกักท่าน้ําขยาแม่น้ําสุนทริกาแม่น้ําสวัสดีแม่น้ําปยาค้าแม่น้ําพาหุมดีแม่น้ ำ, น ำ, าาน ำ, นำเนี่ยเป็นนิดเขาไปอาบกันเป็นนิดก็ไม่บริสุทธิ์ได้ แม่น้ำเหล่านั้นนะจะทำอะไรได้จะชำระนรลชนผู้มีเวรผู้มีกรามอันหยาบช้าผู้มีกรรมชั่วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยแต่พักคุณนรกพักคุณนร ก, กคเคยได้ยินคำนี้ไหมเลิกที่ดีเยี่ยมเขาบอกว่าเวลาไปดูเลิกเนี่ยช่วงไหนเลิกที่ดีเยี่ยมย่อมสาเร็จทุกเมื่อแกบุคคลผู้บริสุทธิ์ อุโบสถก็สําเร็จทุกเมื่อแก่ผู้ที่บริสุทธิ์วัดของบุคคลผู้หมดจดแล้วมีการงานสะอาดย่อมสําเร็จทุกเมื่อดูก่อนพรามท่านจงอาบน้ำํำจงอาบตนในคําสอนของเราเถิดบริเจ้าท่านจงเอาตนเองเนี่ยเข้ามาอาบเอาเอามาอาบในศีลในสมาธิในปัญญาในาศาสนาของเราเถิดว่างั้นเถอะจงสร้างความกเกษมแก่สัตว์ทั้งปวงเถิด ถ้าท่านไม่กล่าวเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำอธินาทานเป็นผู้มีศรัทธาหาความตื่หนีมิได้ไซท่านจะต้องไปแม่น้ำขยาทำไมท่านจะต้องไปอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำไมว่า ง, งั้นเถอะแม่น้ำแม่แม่น้ำดื่มของท่านก็เป็นแม่น้ำขยาแล้วว่า ง, งั้นเถอะถ้าแม้นบุคคลจะพ้นจากบาปกรมได้ด้วยการอาบน้ำด้วยการชำระบาปกบก็ดีเต่าก็ดีหน้าก็ดีจระเข้ สัตว์เราอื่นที่เที่ยวไปในน้ำก็จะพากันไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอนโอ้ <laughs> โหชาวดิสซอนแรงไหม <laughs> บางคนเขาในปัจจุบันนี่บางทีมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปกันใหญ่เลยเนะียไปอาบน้ำากันใช่ไหมอยากบริสุทธิ์กันอู้หยคุณไปอาบน้ำกันที่แม่น้ำคงคาเนี่ยเหยียบกันตายนะความสะอาดจะมีพอน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตนจานวนมากพากันไปก็หาไม่ ผู้ใดมีสัจจะมีธรรมะผู้นั้นจึงจะเป็นผู้สะอาดเป็นพราหมณ์ผู้ใดไม่ถือมงคลตื่นข่าวเคยถือไหมไม่ถืออุ ก, กาบาทไม่ถือความฝันไม่ถือลักษณะดีหรือชั่วผู้นั้นชื่อว่าล่วงพ้นโทษแห่งการถือมงคลที่ตื่นข่าวครอบงามกิเลสที่ผูกสัตว์ไว้ในภพเป็นอันเป็นดุดคูกั้นเสียได้ย่อมไม่กลับมาเกิดอีก พระทหารทั้งหลายนี่ยท่านไม่ถือเรื่องนี้ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขาพวกคอยนับเลิกอยู่มัวแต่รอเอเลิกยังเลิกไม่ดียังทํามงคลไม่ได้ประโยชน์เลยไหมเสียหายมากเลยนะมีอยู่ปีหนึ่งเขาไปดูเลิกจะทําการปฏิวัติยังไม่ได้เลิกไอ้พวกนึงรู้มันชิงปฏิวัติก่อนโดนจับติดคุกหมดเลยจําได้ไหมเด้รอร้อนเลิกให้พวกอื่นเล่นก่อน อกยังไม่ได้เลิกยังออกไม่ไดย้ยังปฏิวัติไม่ได้ประเทศไทยแล้วนี่แหละมีอยู่ครั้งหนึ่งห่วงดูเลยปฏิวัติยังเสียเลยมัดูเลิกเขาบอกประโยชน์เป็นตัวเลิกของประโยชน์ดวงดาวจะทำอะไรได้กรรมนี่สอนเรื่องกรรมนะเนี่ยดวงดาวจะทำอะไรได้ใช่ไหมล่ะ บุคคลประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีประพฤติชอบทางกายทางวาจ า, าทางใจเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเลิกดีอย่างมงคลดีไหมเช้าก็ดีอรุณก็ดีขณะก็ดียามดีและเป็นอันไดบูชาดีแล้วในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายแม้กายกรรมของเขาก็เป็นสิทธิโชคตอนนั้นน่ะเป็นสิทธิโชคเขาเรียกมหาสิทธิโชคใช่ไหม กายกรรมก็เป็นสิทธิโชคแล้ววจีกรรมก็เป็นสิทธิโชคมโนกรรมก็เป็นสิทธิโชคปาิธานของเขาที่เขาตั้งใจดีอ่ะมีเจตนาดีปฏิธานตรงนั้นเป็นอะไรเป็นสิทธิโชค <c oughs> ขั้นกระทากรรมทั้งหลายที่เป็นสิทธิโชคแล้วเขาย่อมได้ประสบแต่ผลที่มุ่งหมายอันเป็นสิทธิโชคอะตอนนี้กายกรรมเป็นอะไรสิทธิโชคไหมเป็นกายกรรมที่ดีไหม มาจากเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนใช่ไหมโชคดียังเลิกดีหรือยังยามดีครูดีขณะดีอรุณก็ดีชามตื่นก็ดีแมงตอนนี้มโนกรรมเป็นสิทธิทโชคไหมเป็นได้ไงง่วงๆอย่างเงี้ยถ้าง่วงๆเป็นไหมอันนั้นเป็นอะไรอับโชคตอนนั้นอับโชคไม่ใช่สิทธิทโชคเข้าใจยัง นั่นจะทําทแบบให้ง่วงซึมหองอยเหงาอยู่ตอนนั้นเป็นตอนนั้นเน่ะกายกรรมเป็นยังไงวิจีกรรมมโนกรรมปรณิธานทั้งหลายเสียหายหมดแล้วตอนนั้นเป็นเลิกดีไหมตอนนั้นน่ะเลิกไม่ดี <c oughs> นี่ไม่เป็นสิทธิโชคดังนั้นการลงมือทําใดๆทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจ อย่างนี้แล้วไม่ต้องรอความหวังจากการอ้อนวอนปราถนาะไม่ควรหวนละหอยถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว <c oughs> อา้าวหวนละห้อยไหมที่ผ่านมาแล้วนี่พุทธพจน์บอกไม่ควรหวนละหอยถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วใครเป็นคนชอบหวนละห้อยในสิ่งที่ผ่านมาไม่พึงเพอ้อฝนันถึงสิ่งที่อยู่ภายหน้า <c oughs> มีไหมเพอฝันเป็นไม่เป็นเนี่ยวันลาห้อยไหมในสิ่งที่ผ่านมาแล้ววันาห้อยเรื่องอะไรไม่พึงเพ้อฝันถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอยู่ภายหน้าเพ้อไหมว่าจะต้องเป็นอย่างโน้นจะต้องเป็นอย่างนี้เพอหรือไม่เพ้อสิ่งใดเป็นอดีตสิ่งนั้นผ่านไปแล้ว ผ่านไปแล้วยังสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นยังไม่มาถึงส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์แจ้งชัดซึ่งเป็นปัจจุบันอันเป็นของแน่นอนไม่คลอนแคลนขอให้ผู้นั้นคั้นเข้าใจชัดแล้วพึงเร่งขวนขวายปฏิบัติให้รู้ล่วงในที่นั้นๆเร่งทำความเพียรเสียแต่วันไหนวันนี้ขณะนี้ ขนาดนี้ใครเล่าจะเพิ่งรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งหรือขณะข้างหน้าแล้ ร, รู้ใช่ไหมเรารู้ได้ไหมไม่ได้เพราะสำหรับนะเพราะว่าสำหรับพญามัจจุราชเนะี่ยพญามัจจุราชนี่เขเป็นเจ้าทัพใหญ่เนะเราตั้งหลายไม่มีทางผัดเพี้ยนได้เลย ผู้ที่ดารงชีวิตยอยู่อย่างเนี้ยมีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ผู้นั้นแทบพระสันตมมนีพระพุทธเจ้าทรงขนานนามว่าถึงอยู่ราตีเดียวก็ประเสริฐอยู่ราตีเดียวอยู่วันเดียวก็เจริญเจริญได้ประเสริฐได้บริสุทธิ์ดได้ไม่ต้องอยู่หลายวันเราอยู่วันเดียวนี่แหละก็ประเสริฐได้ เพราะเป็นอยู่ด้วยการขวนขวายปฏิบัติให้รู้ร่วงในที่นั้นๆนเร่งทําความเพียรในขณะนี้ใช่ไหมเพียรแบบไหนดีเพียรทางกายทางวาจาทางใจตอนนี้เพียรทางไหนเพียรยังไงคาว่าเพียรในนี้เพียรไม่ให้บาปเกิดตอนนี้เพียรอยู่ไหมเพียรไม่ให้บาปเกิดอ้าเพียรทําไงเพียรละบาป เพียรละบาปที่เกิดแล้วทํำยังไงอาคาว่าเพียรละบาปที่เกิดแล้วบาปที่เกิดแล้วแปลว่าบาปนั้นเคยทํามาแล้วหรือยังเคยฆ่าสัตว์แล้วเคยรักทรัพย์แล้วเคยประพฤติผิดในกรรมแล้วเคยพูดเท็จแล้วส่อเสียดคําหยาบแล้วไอ้เพียรละบาปที่เคยเกิดแล้วเพียรยังไงอาถามน่นั้นเกิดไปแล้ว เอาอย่างนี้เรียกเพียนลาบาวที่เกิดแล้วเลยมันเกิดไปแล้วเนี่ยเราไม่เอามาคิดดี อ๋อเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ถูกส่วนหนึ่งนะแต่ยังไม่หมดอ้าวเอให้หมดทํายังไงถูกให้หมดเลยคือบาปที่เคยเกิดแล้วเคยทําแล้วเนี่ยมันมีโอกาสมาเกิดใหม่ได้ไหมเพราะมันชานานใช่ไหมก็ตั้งปณิธานว่านับตั้งแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบาปอกสนิกรรมันชั่วร้ายทั้งหลายจะไม่ให้กลับเข้ามาสู่กระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะนิพพาน ฉนกว่าจะนิพพานเนี่ยทําได้ไหมนินได้ไหมนี่ตั้งบ่อยๆตั้งบ่อยๆตั้งบ่อยๆลำดับแรกกล้าตั้งไหมก่อนนะอย่างนี้เขาเรียกเพลิลับาปเก่านะเม้งนะความฟุ้งเก่าๆความที่เคยทํามาเก่าๆทั้งหลายเนี่ยเคยทําข้อหนึ่งผิดมาข้อสองข้อสามข้อสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบอากุศลกรรมมาบทสิบ ที่เคยทำมาแล้วจะไม่ให้อกุศลกรรมรบทสิบนั้นเนี่ยย้อนกลับมาเกิดในกระแสะชีวิตข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งน αι, พระนิพพานอย่างนี้เขาเรียกเพียนอะไรทำบ่อยไหมแบบนี้แล้วทำบ่อยไหมตั้งบ่อยไหมความรู้สึกแบบนี้นี่บาปเก่าบาปใหม่ทาไงเพี้ยรละบาปใหม่ทำไ ง, า บ, าำไงบาปใหม่อะ บาปที่ไม่เคยทำอะ่ะมีไหมเราจะทำยังไงจะเพียนละยังไงเพียนละบาปใหม่อ๋อเอาปานาติบาตฆ่าพ่อฆ่าพ่อเราเคยทำไหมไม่ชาตินี้ก่อนชาตินี้ ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพลทหารทำร้ายพระเจ้ายังผริต น, นอทำสังฆเพศไม่เคยทําเนี่ยฆ่าช้างฆ่ามนุษย์อะไรเงี้ยนะเนี่ยที่เราไม่เคยทําแต่เราได้ยินข่าวไหมเนี่ยเราได้เห็นก็มีได้ยินก็มีเนี่ยก็คือนี่เป็นบาปใหม่ของเราเนี่ยจะไม่ให้บาปใหม่ที่เคยไม่ไม่เคยทําอะมีโอกาสกลับเข้ามาในกระแสชีวุนข้าวเจ้าจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานให้ตั้งแบบนี้นี่ก็เพียรละ บ, บาปใหม่ พอมันได้ยินข่าวมันมันใกล้แล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเขาให้ตั้งตั้งอย่างนี้มีความเพียรเพียรเจริญกุศลรักษาทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยถึงอยู่ราตีเดียวก็ประเสริฐอยู่วันเดียวก็ประเสริฐดูก่อนขึ้นมาบดีทำรรมาห้าประการเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าไข้น่าพอใจเป็นของได้ายากในโลกก็คืออายุ ได้ยากไหมอายุนี่การเจริญอิทธิบาท4เพื่อให้อายุยืนได้ยากหรือไม่ยากวันณะการเดินกุศลศีลสุขคือปฐมฌานยศเอสวรรค์เป็นต้นเนี่ยนะทำห้าประการนี่แหละเราไม่กล่าวว่าจะพึงได้เฉพาะการอ้อนวอนนะหรือเพราะการตั้งปรารถนาถ้าการได้ทำห้าประการจะมีได้เพราะการอ้อนวอนหรือการตั้งปรารถนาแล้วไซใครในโลกก็จะพึง เสื่อมจากอะไรดูก่อนก็พอดีอริยาสาวกผู้ปรารถนายุยืนไม่พึงอ้อนวอนหรือเพื่อเพลิ น, นกับอายุเพราะการอยากได้อายุนั้นอริยสาวกผู้ปรารถนาพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่ออายุเ น, นีก็คือปฏิบัติในอิธิบาสีฉันทาวิริยะจิตตา ป, ปัญญาเป็นต้นก็จะเป็นผู้มีอายุยืนใช่ไหมไม่ได้ ไ, ได้มาจายการอ้อนวอนนะ อารียส า, าวกย่อมเป็นผู้ได้ความเป็นของทิพเป็นมนุษย์ผู้ปรารถนาวันนะ่สุขเออ ย, ยดศเป็นต้นเหล่านี้ก็พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อให้ได้วันนะคือศีลสุขก็คือปฐมฌานเป็นต้นยดเลยสวรรค์เลยทั้งหลายเหล่านีก้ก็การเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยกุศลศีลทั้งหลายเป็นต้นฝึกในศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นถึงจะได้แต่ไม่ได้ได้มาด้วยการแค่ตั้งใจว่าจะทำแต่ได้มาด้วยการลงมือทำลงมือปฏิบัติลงมือฝึกด้วย พระอาจารย์บอกภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่มั่นประกอบความเพียรในการฝึกอบรมจิตถึงจะมีความปรารถนาว่าขอให้จิตของเราหลุดพ้นจากอาสวะเถิดดังนี้จิตของเธอจะหลุดพ้นจากอาสวะได้หรือไม่ได้ไหมเราไม่ลงมือทำเราได้จะตั้งใจไม่ได้เหมือนไข่ไก่แปดฟองก็ตามสิบฟองก็ตามเนี่ยสิบสองฟองก็ตามที่แม่ไก่ไม่นอนทับไม่กกไม่ฟัก ถึงแม่แม่ไก่จะมีความปรารถนาว่าขอให้ลูกของเราใช้จะงอยเล็บจะงอยปากทําลายเปลือกไข่ออกมาโดยสวัสดีเถิดดังนี้ลูกไก่จะใช้ปลายเล็บจะงอยปากทําลายเปลือกไข่ออกมาได้หรือไม่ได้ไหมล้วไม่ไปนอนกกนอนฟักเน่ะไปนั่งอยู่ไกลๆแล้วปรารถนาขอให้ลูกออกมาตั้งว่ารถนเห็นภาพไหม ตงานาเล ย, อยขอให้ลูกไก่ใช้กรงเล็บใช้ยังไงปากเจาะออกมาเจาะออกมาเจาะออกมาแต่ถ้าหากแม่ไก่ไม่ต้องปรารถนาเราแต่ไปทำกิจนั้นเลยไปฟักไปกกเงั้ยนะถึงไม่ปรารถนาหรือปรารถนาก็ได้ใช่ไหมเราจะเป็นแม่ไก่ประเภทไหน เจ้า่าคุณขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกไปนอนต่อขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกไม่ทําอะไรเลยอ่ะขอให้ข้าพเจ้ามีความรู้ขอให้ข้าพเจ้าคบบัฑิตไม่ขวนขวาจะได้ครบไหมไปถึงพุทธเจ้าก็บอกว่าอดอกไม้ไปปักหนึ่งดอกขอให้ข้าพเจ้า <c oughs> <c oughs> เยอะไปแบบนี้ เอาดูในพระสูตรที่เคยอ่าจว่าบบดูก่อนวาเศรษฐาท่านจึงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยโคลรักกรรมเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นเป็นชาวนาไม่ใช่พราหมยใช่ไหมเราจะบริสุทธิ์ได้ได้ไหมเราต้องการจะบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแต่เราไปทำนามันจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ไหมเป็นได้แค่เป็นได้แค่ชาวนาใช่ไหม ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆผู้นั้นเป็นศิลปินใช่ไหมศิลปะเป็นศิลปินเป็นนักร้องก็ดีเป็นนักวาดเขียนเป็นจิตรกรดีก็เป็นได้แค่นั้นแหละเพราะเรามีเจตนาที่จะเป็นศิลปินเป็นนักร้องศิลปะมันก็ได้แค่นั้นแหละแต่มันจะเป็นพรามที่สะอาดหมดจดจากกิเลสได้ไหมเพราะเรามีเจตนาที่จะเป็นศิลปินมันคนละเรื่องกันนะไอ้เจตนาที่จะเป็นเนี่ยเริ่มเข้าใจชัดขึ้นนี่ยังผู้ใดเป็นพ่อค้า ผู้ใดอาจารย์ค้าขายเลี้ยงชีพพวกนั้นก็เป็นพ่อค้าจะไปเป็นคนหมดจดจากกิเลสได้ไหมไม่ได้เพราะเจตนาจะเป็นพ่อค้าเพราะเจตํานงตรงนั้นผู้ใดเลี้ยงชีพโดยการรับใช้ผู้อื่นคนนั้นก็เป็นคนรับใช้แค่นั้นเองก็วันวันคิดเรื่องอะไรเราจะรับใช้เขาจะรับใช้เขาจะรับใช้เขามันก็เป็นได้แค่คนรับใช้จะไปเป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสได้อย่างไร ผู้ใดาอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพคนนั้นก็เป็นได้แค่ขโมยได้เป็นแค่โจรแค่นั้นเองจะเป็นเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้ไหมเอาไม่ได้อีกผู้ใดปกครองบ้านเมืองคิดแต่การปกครองบ้านเมืองผู้นั้นก็เป็นได้ราชาจะเป็นเป็นพรามณ์ผู้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราไม่ได้เรียกคนที่เป็นพรามณ์ตามที่เกิดมาจากท้องมารดาผู้นั้นยังมีกิเลสเป็นแต่สักว่า โพวาทีธรรมเนียมของพราหมณ์ที่เรียกทักทายกันว่าพราหมณ์พราหมณ์มเนี่ยคือพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้เรียกคนเป็นพราหมณ์เพราะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์นะหรือบางคนเกิดในตระกูลกษัตริย์ตระกูลขุนหาบุดีแะไรต่างเนี่ยไม่ได้เรียกอย่างนั้นว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บริสุทธิ์เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสไม่ควา ม, มยึดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นต่างหาก นะว่าเป็นพรามณ์ว่าเป็นพราละหันว่าเป็นอาเสขาว่าเป็นผู้หมดจดใช่ไหมเพราะกรรมใช่ไหมเพราะเจตนาอต่อไปเราจะเป็นอะไรดีแล้วป่าเถื่อนจะเป็นอะไรตั้งเจตนาจะเป็นอะไรอยากจะเป็นอะไรอ่ะตั้งป่าอยากจะเป็นอะไร อยากจะเป็นพ่อก็ไปเป็นจริงๆนะอยากจะไปเป็นแม่อยากไปเป็นลูกอยากไปเป็นสามีอยากเป็นภรรยาอาตั้งใจอยากจะเป็นอะไรฮะก็ตั้งใจนี่ครับตั้งใจปรารถนาจะเป็นอรหันต์นี่ก็ตั้งใจเป็นพรามที่ตามความหมายที่แท้จริงคือหมดจดจากกิเลสอันนามและโคตรที่กำหนดตั้งกันไว้เนี่ยเป็นตรัสรัตนว่าโวหารในทางโลก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 แต่บุคคลจะเป็นพราหมณ์เพราะชาติกําเนิดก็หาไม่จะไม่ใช่พราหมณ์พ่อชาติกําเนิดก็หาไม่จะชื่อว่าเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมไม่ใช่พราหมณ์ก็เพราะกรรมใช่ไหมคือจะเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็เพราะกรรมไม่บริสุทธิ์ก็เพราะกรรมเริ่มเข้าใจยังไม่เข้าใจคํานี้ไหมอาจจะบริสุทธิ์เพราะกรรมเพราะอะไรไห เพราะอะไรเพราะตั้งใจที่จะฝึกตนเองตามศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะหมดจากกิเลสและกองทุกข์มันก็เลยได้เป็นพรามได้เป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ตั้งใจไม่ฝึกตนเองตามศีลสมาธิปัญญาตนเองจะไปเป็นพรามได้ไหมเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้ไหมก็ไม่ได้เนี่ยปเพราะกรรมตัวนี้ จะเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมไม่ใช่เป็นเพราะชาติกําเนิดเป็นชาวนาก็เพราะกรรมอาชีพการงานที่ทําเป็นศิลปินก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมเป็นโจรก็เพราะกรรมแม้สูงสุดเป็นราชาก็เพราะกรรมใช่ไหมเข้าใจตรงนี้ได้ยัง บัณฑิต ท, ทั้งหลายผู้เห็นปฏิจสมบาทฉลาดในกรรมแล้ววิบากย่อมเห็นกรรมนั้นแจ้งชัดตามความเป็นจริงโลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมมูสัตย่อมเป็นไปเพราะกรรมสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกผูกยึดกันไว้ด้วยกรรมเหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไปฉชนั้นนีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนพราหมณ์นะเราจะเรียกคนว่าประเสริฐ เพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงก็หาไม่เราจะเรียกคนว่าต่ำสามเพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำก็หาไม่เราจะเรียกคนว่าประเสริฐก็เพราะความเป็นผู้มีวันณะใหญ่โตก็หาไม่เราจะเรียกคนต่ำสามเพราะความเป็นผู้มีวันนะไม่ใหญ่โตก็หาไม่เราจะเรียกคนว่าประเสริฐก็เพาะความเป็นผู้มีโพค้ามากมายก็หาไม่เราจะเรียกว่าต่ำสามเพราะความเป็นผู้ มีโภคะก็หาไม่ได้แท้จริงคนบางคนแม้เกิดในตระกูลสูงก็ยังเป็นผู้ชอบฆ่าฟันลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจอ่อเป็นคนละโมบคิดเบียดเบียนเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลไม่เป็นคนถอยเพราะชาติไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติแต่เป็นคนถอยกระเพาะกรรมเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมการกระทําและความประพฤติวันนั้นสี่กษัตริย์พราหมณ์แพร่สูตร ออกบวชในทวีไนที่พระตะถาคตประกาศแล้วย่อมละนามและโคดเดิมเสียนับว่าเป็นสมณญาสักยบุตร ท, ทั้งสิ้นบรรดาวันณะทั้งสี่ผู้ใดเป็นภิกษุสิ้นกิเลสอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ตนทำสำเร็จแล้วปลงภาละได้แล้วลู่ล่วงถึงประโยชน์ตนแล้วหมดเครื่องผูกไว้ในพบแล้วหลุดพ้นพราะรู้ชอบได้แล้วเรียกว่าเป็นผู้เลืกว่าวันณาทั้งหมดนั้นพอหมออย่าง การเพียนพยายามเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเองแต่ฐาคตเป็นได้เพียงผู้บอกตอนและเป็นที่พึ่งแห่งตน <c oughs> คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลมีตอนที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยากใช่ไหมความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นทําคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีกรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเข้าใจคํานี้ไหมจงมีกรรมเป็นที่พึ่งจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเข้าใจครามีธรรมะศีลสมาธิปัญญานี่นแหละเป็นที่พึ่งไหมอย่ามีามสิ好好่งอื่นที่นอกจากศีลสมาธิปัญญาเป็นที่พึ่งอ่ะสรุปตรงเนี้ยต้องาการช si ี้เห็นอ่ะเดี claro ๋ยวมาพูดเรื่อง เหลือสามสิบนาทีจะพูดเรื่องกรรมตรงนี้จะพูดเรื่องเรื่องในชีวิตจริงๆเลยนะะในชีวิตหนึ่งๆเราเราเราฝึกตนเองอยังไงได้ฝึกตนเองอยังไงให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้คิดอย่างนี้ตื่นขึ้นมาก่อนตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยเรามีวิธีการฝึกตนเองอยังไง ให้เข้าใจในเรื่องกรรมเนื้อแล้วเรามีวิธีการยังไงเราเคยรู้ไหมว่าอัธยาสัยแต่ละอัธยาสัยที่เราตั้งไว้เนี่ยมันสั่งสมเป็นเป็นอัตยาสัยของเราเนี่ยเช่นเราบางครั้งเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราบางคนก็หงุดหงิด ต, ตั้งแต่ตื่น เ, นเครียดโกรธหงุดหงิดงงซ่าน จะทำโน้นทํา น, น, านี้หน้าตาก็เศร้าหมองเป็นไหมตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สั่งสมในประเภทสภาพใจของเราเนี่ยใจที่เราอ่อนแอใจหงุดหงิดใจพุ่งสร้างใจเครียดโกรธของเสียเต็มไปหมดใช่ไหมใจที่เป็นไปกับความทุกข์ความเครียดความขัดกลุ้มแล้วก็โมหะความไม่รู้ความไม่ฉลาดคิดก็เกิดขึ้นพอเราสั่งสมอัตยาัยแบบนี้ มากๆมากๆขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่สีหน้าแววตาทั้งหลายาก็เศร้าหมองบุคลิกภาพก็ออกมาในสองส่วนนี้เราสั่งสมอย่างนี้เชื่อไหมมันสั่งสมจนกลายเป็นคุณสมบัติของเราไปเรียบร้อยแล้วมีโทนนิสัยอุปนิสัยของเราเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนี่แปลว่าไอตัวเจตจํานงตัวกรรมตัวอกุศลกรรมเนี่ยมันสั่งสมจากภายในจากกระบวนการความคิดของเราเนี่ยแล้วมันก็ออกมาเป็นพฤติกรรม เป็นแบบอย่างของเราอย่างนั้นจนเคยชินจนเป็นนิสัยเลยเคยคิดไหมมันเป็นอย่างนั้นไหมมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจึงมีสีหน้าแววตาตั้งแต่เกิดมาบางคนก็เศร้าหมองมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยก็สั่งสมบุคลิกภาพแบบเนี้เป็นคนที่มีโทนนิสัยแบบนี้ตลอดแล้วก็ยึดถือว่าโทนนิสยัยตัวเองแสดงออกเนี่ยมันถูกต้องตามความรู้ตามความเข้าใจของตนเองที่ตัวเองไม่ได้ตนเองสั่งสมมาด้วิธีคิดแบบนี้ เคยสังเกตไหมเราสังเกตดูวันวันหนึ่งของเรามันมีพัฒนาการไปในทางที่ดีไหมตั้งแต่ตื่นมาเลยนะทีนี้ถ้าเรามีเจตนาจะเปลี่ยนตัวเองมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่ว่าตื่นขึ้นมาที่บอกว่าวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดนจะให้ทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเท่านั้นเกิดขึ้นเคยคิดอย่างนี้ไหมเคยตั้งอย่างนี้ทุกครั้งไหมไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดเนี่ย จะสีเจอรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยจะให้ทานกุศลเท่านั้นเกิดจะให้ศีลกุศลเท่านั้นเกิดจะให้ภาวนากุศลเท่านั้นเกิดคือเราจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นก็คือจะให้คุณภาพจิตที่ไม่มีโรคเท่านั้นเกิดขึ้นจิตที่ไม่มีโทษเท่านั้นเกิดขึ้นจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่สะอาดเดี่ยวมองหว่องแผ่วจิตที่แข็งแรงตั้งมั่นจิตที่อ่อนโยนจิตที่นุ่มนวลจิตที่มีเมตตาจิตที่มีกรุณาจิตที่เป็นไปความสุขสมณะจิตที่ชานฉลาดเท่านั้นเกิดขึ้นใครเคยตั้งใจขนนนาดั้ม ตั้งใจแล้วก็ฝึกให้มันเกิดได้จริง ๆ, ๆด้วยเคยตั้งแบบนี้ไหมถ้าไม่เคยก็ตั้งเนี่ยนะทีนี้ถ้าบาปมันแทรกเพราะเรามันชํานาญอยู่แล้วใช่ไหมถ้าราคะมาแทรกโทสะมาแทรกโมหะมาแทรกความเครียดความกัดกรุ่มทั้งหลายมาแทรกอกุศลและธรรมอันชั่วร้ายมาแทรกขมยจ จ, จะอย่างเร็วเหมือนอุจจาระกระเด็นติดหน้าผากมั้งรีบล้างไหม เหมือนกันพอบาปมาแทรกปุ๊บจะรีบละอย่างรวดเร็วเหมือนอุจจาระติดหน้าผากแช่ไวสักพักก่อนอย่าเพิ่งล้างได้ไหมเร็วละอย่างเร็วแล้วก็จะฝึกจิตตนเองนะให้คุ้นเคยกับกุศลคุ้นเคยกับความให้คุ้นเคยกับจิตที่ตั้งมั่นจิตที่แข็งแรงนะจิตที่ จิตที่แก้วกล้าจิตที่อาหาร์จิตที่บินไปกับสติและสมาธิให้คุ้นเคยกับจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตที่อ่อนโยนจิตที่มีความสุขจิตที่ปลาโมดจิตที่ปีติเกิดขึ้นแล้วก็จิตที่เป็นไปกับฌานฉลาดจะฝึกจิตให้คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ฝึกให้คุ้นเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกระแสชีวิตเลย หรือรู้สึกตัวเวลาใดก็มีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลมีความปลาโมดปิติขนาดนั้นให้มันคุ้นเคยคุ้นเคยขนาดนี้ฝึกให้เกิดความคุ้นเคยเคยคิดอย่างนี้ไหมฝึกให้เกิดความคุ้นเคยและจะสร้างบรรยากาศให้แวดล้อมไปด้วยพระรตนะไตรมีพระรตนะไตรแวดล้อมของทั้งหลายที่อยู่รอบข้างนี่คือของบูชาพระรตนะไตรทั้งนั้นเอง มองไปที่ไหนก็โอ้ยในชื่นใจไหมเราบูชาพระรัตนตรันตยนี่เนี่ยเห็นดอกไม้เห็นของหอมเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นอาคารสถานที่เห็นแะไงต่างเออเราจะบูชาเห็นบุคคลทั้งหลายเ อ, อ้ยกบูชาพระรัตนตรัยไม่กล้าโกดเลยนะทีน้โอ้เนี่ยโกดไม่ได้แล้วเราได้ยกกระแสชีวิตนี้บูชาพระรัตนตรัยแล้วใช่ไหมต่อแปว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะโกดบุตรของพระพุทธเจ้าไม่ควรแก่เราเลย ใครคิดอย่างนี้ไหมงั้นก็ยกเลยเอา้ายกบูชายหมดยกยกยกถ้าเห็นใครจะโกกอดอยากกอดลูกพระพุทธเจ้านะเ <c oughs> ข้าใจไหมต่อไปกอนไม่ได้จะมองกดหงิดนะใครจะมังกดหงิดกับเรานี่ฉันเป็นลูกพระพุทธเจ้ามองกดหงิดได้ยังไงแล้วจะมีเรื่องจะหงุดหงิดไหมถ้าเห็นท่านเม้งนอนหลับ สมมติสมมตินี่สมมติเห็นท่านเมงนอนหลับแล้วโกรธท่านเม้งไหมโกรธไม่โกรธเพราะอะไรโอ้จะไปโกรธบุตของพระเจ้าได้ไงใช่ไหมมีโลกของพระเจ้าไม่ควรโกรธพอมองเห็นนีอย่างก็คือสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีพัฒนาตัวฝึกอย่างนี้ได้ไหมให้เริ่มฝึกดูนะฝึกน่เกิดเนี่ยถ้าสั่งสม อัธยาศัยอย่างนี้เรื่อยๆเื่อยๆเืยๆนี่กรรมทําเจตนากรรมที่เป็นไปอย่างนี้ติดต่อและต่อเนื่องแมถ้าทําได้อย่างนี้นะเนี่ยลักษณะแบบเนี้แล้วจะเปลี่ยนอัธยาศัยเดิมตนเองไนดะ้จากที่ตนเองมีโทนนิสยัยซึ่งเป็นไปกับบาปมากคุ้นเคยกับบาปมากมันจะค่อยๆแกะออกแกะออกแล้วมันก็จะเข้าสู่โหมดของความของการเจริญกุศลได้สะดวกขึ้นทีนี้หนึ่งคุณภาพทางด้านจิตใจได้แล้ว สบุคลิกภาพไ ด, ได้บุคลิกภาพทีนี้พอมันเปลี่ยนจากข้างในมาใช่ไหมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราเอาศัยจากการที่ได้ปรโตโคาศาส์ได้ปัจจัยข้างนอกที่ถูกต้องก่อนถึงมาเปลี่ยนภายในเราได้แล้วก็เปลี่ยนบพฤติกรรมล้วได้จริงๆเรากระ บ, บวนการความคิดของเราพฤติกรรมของเราเนี่ยคิดว่าดีแล้วหรือยังเราต้องเราต้องแก้ไขตลอดเวลาไหม มีใครแสดงมีใครเริ่มฝึกนี่ที่มาอยู่ที่เนี่ยที่ว่าได้เริ่มฝึกตัวเองได้ดีขึ้นไหมได้ไหมนายลองดูดที่อธิบายให้ฟังหน่อยที่มีมีไม่ฝึกอะไรตัวเองได้รู้สึกว่ามันประทับใจขึ้นมันดีขึ้นมีบ้างไหมมีไห ม, มนินมีไหมอา้าวลองเล่าไปฟังนี่มีอะไรบ้าง ยากไหมฝึกมีความสุขกาบการที่ได้คิดได้ฝึก <พอ S 1> ได้เจริญได้ดไ ท, ท, ที่คิดอย่างนั้นเพื่ออะไรมีจุดหมายไหมอะไ ร, ะดดรมีความคิดแค่นั้นเอง เราคิดตลอดเวลาไหมที่เราฝึกตัวเองงนี้เพราะเราต้องการพ้นทุกข์ที่เรามัวทนากับเขาเราปราดนาพ้นทุกข์ที่เราฝึกในการคิดอย่างนี้เราปราดถนาพ้นทุกข์เรามีเจตจํานงชัดไหมว่าเราจะพ้นทุกข์ที่เราต้องทําแบบนี้ที่จดจริงตรงนี้นะจุดหมายต้องให้ชัดหน่อยเนะี่ยจุดหมายพ้นทุกข์ต้องให้ชัดแนวทางการดําเนินก็ว่าไปแต่ต้องมีจุดหมายที่ชัดบางตทีที่ผ่านมามันเลื่อนลอยแต่จุดหมายไง เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเขาไว้ว่าเราต้องการพ้นทุกข์ให้ตั้งกันไว้พ้นทุกข์เนี่ยให้ตั้งให้มั่นให้มั่นคงไอ้ทางดําเนินก็ดําเนินไปอย่างเนี้ยแต่เราเห็นว่าจุดหมายของเราคือเราจะต้องไปพ้นทุกข์แน่นอนให้ตั้งแบบนี้ ie. เวลาจเจริญกุศลเนี่ยอย่าเจริญแบบไปเรื่อยเห็นอะไรมันก็แวะเรื่อยเลยพวกเนี้ยเนี่ยจะกลับกรุงเทพก็แวะเรื่อยเลยแวะนู่นแวะนี่เชียงรายบ้างไปเรื่อยแวะพะเยาบ้างแวะแพร่น่านว่าไปเถอะแวะเรื่อยเลยเ แวะแล้วแวะแว่นานด้วยนะพวกนี้นะเพราะจุดหมายมันไม่ชัดนี่เหมือนกันทุกอย่างที่เราทําเนี่ยเพื่อเป็นองค์ประกอบเป็นบริขารละเป็นบริวารเป็นองค์ประกอบเป็นเครื่องหนุนที่ให้เราถึงการพ้นทุกเลวเราถึงทําแบบนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ต้องการตรงนั้นเราก็จะทำทำไมละ่ะเหตุผลที่เราต้องทําทุกอย่างเนี่ยทานกุศลเอ่ยตั้งสิ่งแวดล้อมทําอะไรต่างๆเหล่านี้มานั่งพูดเนี่ยมานั่งฟังเนี่ยมานั่งทําไมละ่ะ เราจุดหมายของเราเราอยากไปถึงจุดหมายคือการพ้นทุกข์ของเราเราจะต้องมาฟังมา อ, าองค์ประกอบใช่ไหมมาปรึกษามาไขาครวนมาวิจัยไม่ใช่มานั่งเล่นๆ เ, เรามีแผนเรามีจุดของเราว่าเรานั่งตรงนี้ไม่นานหรอกเราฝึกของเราไว้ให้ได้องค์ประกอบให้บริขาระให้เป็นอลังการละใช่ไหมให้เป็นอุปนิสัยให้เป็นกําลังทำศรัทธามีกําลังทําความเพียรมีกําลังสติสมาธิปัญญามีกําลัง เราจุดหมายของเรามีอยู่แต่ะบุคคลมีอยู่นะคือจุดหมายคืออนุปาทานณิญญานิพานกิจการเส้นจากกิเลสและกองทุกข์นั้นคือจุดหมายต้องชัดไว้ก่อนทําไมเราต้องพูดอ่อนน้อมทําไมเราต้องประพฤติประโยชน์ทําไมเราต้องเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ทําไมเราต้องตักอาหารแจกทําไมเราต้องต้องปูลาดที่นั่งถวายสงฆ์ทำไมเราต้องกวาดทาไมเรืต้องปูผ้าอย่างนี้ทําไมตื่นขึ้นมาต้องรีบขวนขวายทําอะไรเนี่ยไม่ใช่ไปเอาใจคนนั้น ไม่ใช่ไปเอาใจว่าเออเนี่ยเขาจะตำหนิเรานะเขาจะโกรธเรานะถ้าเราไม่ทำตรงนั้นตรงเนี้แต่ฉันมีจดหมายว่าฉันจะผนทุกก็าจะยังเราเพื่อธรรมะแต่เนี่ยเพื่อโลกุตละธรรมเราต้องการเดินสู่อริยามรรคไปสู่พระนิพพานใช่ไหมว่าที่บอกอริยะสาวกเนี่ยอย่างไรเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่จะสามารถเข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้เนี่ยการที่เราจะมีสัมมาทิฏฐิที่จะเข้าถึงโลกุตละธรรมเนี่ยเขาทำยังไงกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นยังไง ชาณสัมมวิปัสนาสมาธิเป็นยังไงเป็นต้นเหล่านี้หรือสัจจานุโลมวิญยานไปเติร์นเป็นยังไงเนี่ยยานปัญญาที่อนุโลมสอดคล้องต่ออริยสัจสีเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เป้าหมายของเราก็คือเข้าไปสู่พัสสัธรรมในพัสสัตถามคือโลกุตตรธรรมแล้วก็เข้าไปถึงพระนิพพานด้วยอริยามรรคอย่างไรเนี่ยเราจุดหมายเราคืออย่างนี้นะที่เราต้องทําองค์ประกอบทั้งหลายทําไมตื่นขึ้นมานินบวชฌา์ครับมีอะไรให้ทำํำไหมครับเนี่ยทาไมต้องพูดคํานี้เพราะต้องการอยากจะพ้นทุกข์ นี่คือองค์ประกอบนี่คืออลังการละในการที่เราจะปรับตัวเราเองทุกอย่างในการที่มีจุดหมายในการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์อาจารย์ครับให้ผมทําอะไรครับผมคิดไม่ออกสมมุตินั้นคิดไม่ออกจริงๆเราเดินกุศลไม่ได้ถามทันทีเลยใช่บอกผมนะครับเออนั้นเดี๋ยวไปหยิบนั้นไปหยิบเนี้แล้วทำไมอาจารย์ต้องบอกให้เองไปหยิบตรงนั้นเพราะต้องการให้เองไปเดินกุศลไปหยิบจานหยิบช้อนหยิบน้ําเออไปทํำนี่ทาจารีศีลดูทําเพื่ออะไรแต่จุดหมายพ้นทุกข์ อาจารย์ครับผมคิดไม่ออกครับผมจะเจริญกุศลอย่างไรที่หยบสูตรจดหมายการพ้นทุกอาจารย์บอกผมหน่อยครับเออทาตรงนี้นะแล้วมาเทศการใจแบบนี้ทําไมต้องตื่นแต่เช้าไปขับรถหรือไปไปถือของถือของทําไมต้องไปนั่งกับพา้าไปถือบาทตามผ้าทําไมเนี่ยผ้ามานใช่ทําไม ก, กันนะกันหนาง่วงกับง่วงนันไม่ก็ไปคนละเรื่องเลยเนีแต่เราต้องการทําตนเองเนี่ยให้มันเกิดการคุ้นเคยกับกุศลขนาดทํารูปแบบแล้วมันยังคิดกุศลไม่ได้เลยใช่ไหมคนบางคน ไ, ได้แค่สัญชาตญาณเท่านั้นเด้ นี่ขนาดทํำจนขนาดนี้มองไม่ออกเลยมองหน้ายังตาขาวเลืกๆกเลึกๆักอยู่เลยเนี่ยตาดํายังไม่ค่อยโผล่เลยตาใจ ย, ยังเนี่ยตรงเนี้ยเป็นอย่างนี้ม <c oughs> ันคิดไม่ออกใช่ไหมมันไม่มีจุดหมายชัดเห็นไหมนายเป็นอย่างนั้นจริงไปแล้วมันก็ตื่นแต่เช้ามันก็กินนี่แหละเอ๊ะเราอยากจะเป็นพระที่ดีเหมือนกันนะแล้วก็เอาเอ า, อาบาตมาตักอาหารใส่ในบาตรตักผสมเลยเอา้า พอจะผสมเข้ากันจริงอันนี้ใส่ไหมไม่เอาครับกิ <c ười> นไม่ลงครับมันมีเงื่อนไขในในตัณหาตัวเนี้มันมีเงื่อ น, น, น, น, นไขที่ผมทําอย่างเงี้ยพราะผมทำกงทําลายกิเลสผมต้องการพ้นทุกข์นี่ใช่ไงจุดหมายผมคือต้องการพ้นทุกข์เข้าใจยังนี่นแหละทั้งหมดเหล่าเนี้ยต้องการให้กระแสต้องการเอาเก่าวลิงกลาอาหารเนี่ยรู้ชัดอาหารไหม รู้ชัดเหตุเกิดของอาหารรู้ชัดความดับของอาหารรู้ชัดปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงการดับของอาหารหนึ่งรู้ชัดกาวรวิงกิอาหารอาหารที่เป็นคำคำที่เป็นโอชาเป็นวิตามินเนี่ยที่เป็นคำคำที่มันเข้าไปในกระแสของร่างกายเนี่ยเราต้องการหล่อเลี้ยงทําไมในกายเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไอ้กายเนี่ยมันดําเนินได้พอกายมันแข็งแรงมันถึงจะเจริญศีลสมาธิปัญญาแต่ไม่ใช่กินเข้าไปแล้วมันกิเลสมันอาศัย อาหารนี้แล้วมันจะได้เมาพัดเมาอาหารไม่เอายี่ไหมเราต้องการเนี่ยหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตรู้ชัดมันเน่ยมันก็แค่ไอตัวโอชาแค่นั้นเองที่มันวิ่งก็ไปหล่อเลี้ยงในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเยืเ่กระดูกที่สุดจริงก็พังหมดแหละไม่เหลือมันก็กระจายหมดแล้วมันก็แตกดับอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละก็เข้าใจมันอย่างนี้เสียีรู้ชัดอาหารอาหารมันนํามาซึ่งอะไรเนี่ยคาร์ิงกอาหารนํามาซึ่งโอชา โอชานนั้เป็นไลายไปหล่อเลี้ยงในผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแกนในกระดูกไตหัวใจตับปอดจนถึงมันสมองไปหล่อเลี้ยงใช่ไหมทําให้กระแสชีวิตนี่ดําเนินไปได้เพื่อจะได้เป็นที่ตั้งของนามธรรมนามธรรมที่จะเดินศีลสมาธิปัญญาได้สะดวกขึ้นแต่ถ้าหากกริ้งกระหานมันมากเกินไปกริ้งกระหานจากอาหารประเภทบางอย่างเนี่ยมันใส่เข้าไปแล้วมันเมามันมึนมันงงมันง่วงมันอ้วนมันผอมมันแรงน้อยมันแรงมากและไม่มีแรงอะไรเงี้ย กินอันนี้แลมันคิดทำมาไม่ออกอั น, นี้มันกะวิงกาหาอนี้มันเป็นโทษไม่ส p าย i n ก, กับเราใช่ไหมแต่กินมันไม่อร่อยจริงเแต่มันบินคุณน่ะอธิบายยากนเนี่ยนี่กะวริงกาหารรู้ชัดเลวันมันแค่นี้ยังไงทุกข์สัตย์ใช่ไหมรู้ชัดภาษาหานจากขูสัมผัสคาณาสัมผัสาชิวหาสัมผัสกายะสัมผัส มโนสัมพัสสะมันนำอะไรมานำสุขเวทนามาทุกเวทนามาทุกขมสุขเวทนามาใช่ไหมไอ้ภาษานำมาซึ่งเวทนาเนี่ยภาษาคืออะไรอาศัยมันประชุมของจักขุปาาัสสัตรูปารมจักขวิญญาณไอ้ทำสามอย่างมันเชื่อมกันได้ประชุมกันได้ตัวไหนเป็นตัวเชื่อมภาษาเป็นตัวเชื่อมให้ประสานกันประชุมกันพอสามอย่างประชุมกันแล้วอะไรตามมาเวทนาใช่ไหม บางทีก็สุขเวทนามาเอาเช่นได้เห็นรูปารมณ์ที่สวยจากกุญญาณจากกุเห็น ไ, ไหมหรือว่อาจากกุปสาศลเนี่ยจากกุญญาณแล้วก็รูปารมณ์เนี่ยพอประชุมปุ๊บโอ้รูปารมณ์นั้นชอบใจโสมนสเวทนาะไม่ชอบใจก็ทมนสเวทนาะเห็นจนเบื่อแล้วก็กลายเป็นอุเบกขาเวทนาเห็น ไ, ไหม อ๋อมันนำเวทนามาให้แล้วเวทนาจะนำอะไรต่อมานำตัณหามานี่ต้องระวังให้สติตั้งสติสัมปชัญญะอ๋อมันมีแค่นี้เองภาษามันก็นำเวทนามาอย่างนี้จากขู่สัมัสะนำจากขู่สัมผัสชาเวทนามาโสตสัมปสะก็นำโสตสัมผัสชาเวทนามาขานะสัมปสะก็นำขานะสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมปสะก็นำชิวหาสัมปสะเวทนามากายสัมปสะก็นำกายสัมผัสชาเวทนามโนสัมปสะก็นำมโนสัมผัสะชาเวทนามา เวทนาก็ไปเอาตัณหามาการมาตัณหามายังไงเพราะว่าตัณหามายังไงวิปวตัณหามาอย่างไาาา ง, ไาางไถ้าจะตัดรอนด้วยมีสติสัมปชัญญะมาตัดตอนเสียไม่ให้ตัณหาเกิดเออก็ว่าไปนี่เป็นไปเพื่อความดับยังไงมองเห็นไหมเนี่ยที่ภาษาก็เป็นทุกข์ภาษาเนี่รู้ชัดครับเขต เ, เ, เกิดของเขาเสียรู้ชัดอาหารนำนํามาทํามาเนี่ยนี่ต้องขอบคุณไม่ภาษาเนี่ยถ้ามีมีภาษาเนี่ยมันก็ ถ้าไม่มีภาษาเวทนาก็มาไม่ได้ใช่ไหมถ้าเวทนามาไม่ได้ตัณหาก็มาไม่ได้แล้วตัณหามาไม่ได้กระแสะการการสืบต่อของชีวิตก็เกิดไม่ได้ต้องขอบคุณไหมขอบคุณภาษาไม่ขอบคุณเลยเขาเขานำวัตถุกมาให้เนี่ยไม่ชอบเลอชอบไหมนำ กายทุจริตมาให้นะต่อไปนะพะตันหามาก็อุปาทานอุทาทานมาก็ทำกรรมกรรยายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมต่อพอทำกรรมเสร็จก็นําชาติชลาพญาธิมรนักมาดีไม่ดีเนี่ยภาษาเขานามาอย่างนี้เลยมโนสัญเจตะนาะหานํานอะไรมานาปฏิสนธิวิญญาณมาให้ไงมีปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็ต่างกันนะพวกเราเนี่ย มีวิญญาณมาต่างกันนะปฏิสนธิวิญญาณบางคนก็ปฏิสนธิวิญญาณโอ้โหมาองค์ประกอบเยอะมาอลังการล่ามากเลยในตัวปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนำมาถึงทานกุธานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเยอะหมดเลยใช่ไหมบางคนเนี่ยนะนะองค์ประกอบของปฏิสนธิวิญญาณโอ้โหมาอลังการล่ามากบางคนก็เฮ้ยเกิดยังไงวะเนี่ยนู้นเกิดในป่าในดงในดอยนีย่แถมเป็นคนโง่เขาเบาบรรยายัญญาอีกไม่รู้เรื่องห่างไกลประสาทธรรมเป็นวิชาที่ติดดูสิเนี่ย ปฏิสิทธิ์ที่วิญญาณเนี่ยเอกมโนสัญเจตนาหานมันนําปฏิสิทธิ์ที่วิญญาณมาให้นําปฏิสิทธิ์ที่วิญญาณในอบบยภูมินาปฏิสิทธิ์ที่วิญญาณในสุขติภูมิเนี้ยเนี่ยตัวมโนสัญเจตนาหานี่ขอบคุณไหมนี่อาหารถ้าหากวิญญาณนําอะไรมาเอาวิญญาณอาหารนําอะไรมาให้นําเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และกรรมเฉลิมมาให้ ใช่ไหมล่ะทําให้เราได้คุณภาพเนี่ยไอตัวปฏิสนิยมญาณเนี่ยบางทีก็ให้คุณภาพโอ้โหปัญญาใช่ไหมสังขารละขันเนี่ยบางทีก็ไม่ให้ปัญญามาในปฏิสิบญาณบางอย่างเนี่ยให้ให้ความไม่โลภความไม่โกรธมาแค่นี้แหละมนุษย์ยนะแต่ปัญญาขาดบางทีอะความไม่โลภก็อ่อนแอความไม่หลงก็อ่อนแอแล้วก็ ความไม่โกรธก็อ่อนแอมากเลยกลายเป็นคนที่กิเลสกุ้มลุมง่ายมากเพราะวิญญาณตัวเนี้คุณภาพมันแย่เหมือนรถเนะ่ะมันเหมือนอไอนะ้อลัรถเน่ยได้อะไรไม่ดีวิ่งสองวันซ่อมสามวันบางปฏิสนที่วิญญาณบางคนที่ได้มาเป็นประวังโอ้อ่อนแอมากเลยบาปแทกตลอดง่ายมากเคาเห็นไหมบางคนนะ่ะชวนทําบุญไม่เอาคิดแต่เรื่องบาปฉลาดมากยฉลาดในการคิดบาปได้วิจิตบันจงมากวันวันหนึ่ง เพราะอะไรแล้วได้คุณภาพของวิญญาณมานันนาเจดสึกธรรมเนี่ยและก ร, รมมาชโลภกรรมมชรลปเขาโห่โหวยมากกรมมชรลปแย่แย่หมดเลยที่ได้มาอ่ อ, อนแอให้หมดเลยจักขูก็อ่อนแอโสตะก็ อ, อ, อก่ อ, อนแอคานาค็ อ, อ, อ่ อ, อนแอเนีประสาทตาก็อ่อนแอประสาทหูก็อ่อนแอประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายและก็หัตถยะอ่ อ, อนแอหมดเลยพวกกลุ่มกรรมมาชโลภทั้งหลายอ่ อ, อนแอหมด เจอกระทบกระทั่งอุตุนิดๆในหน่อยๆๆก็ไปไม่เป็นแล้วร้อนก็ไม่ไหวเย็นก็ไม่ไหวใช่ไหมเจอสภาพสิ่งแวดล้อมอะไรอ่นอนแอหมดเลยดูปฏิสนธิวิญญาณมันนำมาให้ขอบคุณไหมเ <c oughs> นี่ยวิญญาณอาหารมันนำไอ้ตัวเนี้ยนำทั้งนามมาทำและกรรมมชรูปเนี่ยมาให้น้ำ ม, ม า, นามน้ำมาทำก็มีคุณภาพต่ำมากน่าเศร้าไหมนาเรานำไป น, น, นี่ทุกไหมนี่ทุกข์ัตย์ให้รอบรู้มันยิ่เนี่ย อาหารสี่เนี่ยมันเป็นทุกข์ใช่ไหมเหตุเกิดของอาหารสี่ก็พวกตันหานี่แหละมันรูปบวกกับกรรมนี่แหละมันนํามาให้ถ้าจุดหมายคือดับอาหารสี่ได้เม็ด น, นิโรธนะเราต้องดับให้ได้นะปฏิปทาถึงนิโรธก็คือมรรคเราต้องเดินมรรคนปะเนี่คือเรียกเข้าใจอาหารรู้ชัดอาหารรู้ชัดเหตุเกิดของอาหารรู้ชัดความดับของอาหารรู้ชัดปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับอาหารอย่างนี้เขาเรียกสมาธิ ถ้าไม่มีปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิต้องรู้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะยากไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิแบบนี้ไหมต้องมีจริงๆต้องมีสัมมาทิฏฐบบิไอ้รู้สัมมาทิฐิสัมมาทิฐิที่พระไปถามภาษาลิบุตรเนี่ย อ, อ, อริยาสาวกที่จะทำยังไงให้สมาทิทฐิที่จะสามารถเข้ามาสู่พระธรรมวิ น, ยนัยนียเข้ามาสู่พระสัธรรมคือได้สมาทิทฐิแล้วจะเชื่อมโยงลงสู่โลกุตระธรรมได้แล้วก็จะได้เมื่อถึงโลกุตระธรรมที่เป็นโลกุตระมรรคแล้วเนี่ยมรรคนั้นจะเข้าสู่พระนิพพานยังไงเนี่ ย, ยไปถามภาษาริบุทว่าผมมาจากที่ไกลมหาท่านนะครับ มหาท่านผู้จเจริญเนี่ยมหาท่านภาษาทีบุตรมาในสํานักของท่านเนี่ยผมเดินทางกันมาไกลามากก็ปรารถนาอยากจะทราบชัดไอ้สมาทิฏฐิแค่ไหนเรื่องสมาธิฏฐิว่างั้นเถอะภาษาทีบุตรอ๋อเป็นงั้นเลยถ้างั้นท่านจงฟังนะจงใส่ใจให้ดีนะเดี๋ยวกับผมจะกล่าวให้ฟังว่างั้นจงฟังจงฟังใช่ไหมจงตั้งใจฟังนะให้ตั้งโยนิโสมณิสิการในการใส่ใจนะทิ้งภาระอย่างอื่นให้หมดนะไม่ใช่ฟังไปห่วงบุตรห่วงหลานลงห่วงญาติมิตรต่างๆอย่างนี้ไม่เอานะว่างั้นนะ ครับผมจะทําตามนั้นท่านก็เลยนั่งคุยกันแล้วเจอหน้ากันเราทำเราเราเป็นแบบนี้ไม่ได้ถามทําคุยธรรมะ ก, กันนะท่านครับเนี่ยผมภาษามาจากเพชรบูรณ์นะครับของผมภาษามาจากกรุงเทพนะผมมาจากอะไรต่างๆใช่ไหมามาเนี่ยก็มาต้องการอยากจะเนี่ยอยากจะได้ทราบชาัดไอ้สมาทิฏิเนี่ยว่าแค่ไหนว่างั้นเด้ออาจจะดําเนินชีวิตยังไงให้เดินตามสมาทิฏฐิซึ่งจะเข้ามาสู่พระสัตธรรมว่างั้นเด้อแล้วก็เข้าถึงพระนิพพานไ ด, ได้เนี่ยว่างั้นเด้อ บอกอา้าวถ้างั้นท่านมิงตั้งใจฟังนะเดี๋ยวผมจะกล่าวเออผมจะตั้งใจฟังครับจงใส่ใจให้ดีนะยองตั้งใจฟังนั้นคำหนึ่งจงใส่ใจให้ดีสองคำไม่เหมือนกันนะฟังนึงก็คือฟังด้วยความนอบน้อมฟังด้วยความเชื่อมัน่นยงใส่ใจให้ดีเป็นชื่อของโยนิโสมก็ทําโยนิโสมในสิกานี้ในการฟังติดต่อและต่อหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นมดเวลาแล้วมุทิ่ตนกุศลหรือ ย, อยัง